แต่ละคนก็เหมือนกับตัวละครที่มีหน้าที่แสดงบทบาทต่างๆกันไปอันนี้ถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดหน่อยก็เป็นแง่คิดในการดาเนินชีวิตได้มากเพราะว่าบทบาทที่เราเล่นมันก็เหมือนกับบทบาทในละครก็คือว่าเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมากำหนดกันขึ้นมาว่าเล่นบทนั้นบทนี้ เล่นเสร็จแล้วถึงเวลาก็ต้องลงจากเวทีละครลงจากเวทีละครี่ไม่ได้หมายความว่าต้องตายก่อนนะถึงจะลงได้แต่มันหมายความว่าแต่ละบทแต่ละบาทนั้นเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาของมันเมื่อหมดช่วงเวลาก็พร้อมที่จะลงไม่ใช่ว่าแบกหรือไปยึดเอาบทนั้นเรากว่าเป็นตัวเราจริงๆอย่างเช่นบางคนเล่นบทเป็นพระเอกก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพระเอกไปตลอด ถึงเวลาลงจากเวทีก็ให้รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นบทอย่าไปคิดว่าตัวมันพระเอกไปตลอดหรือคนบางคนเล่นบทที่ว่าเป็นวีตรบุญรุษเป็นคนเก่งก็ให้รู้ว่านี่มันเป็นแค่บทบาทหรือสมมุติไม่ใช่ว่าลงจากเวทีไปแล้วกลับไปบ้านก็ยังคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองวิเศษก็ทําตัวกลางหรือคนที่เล่นบทพระราชาก็ให้รู้ว่านี่มันแค่บท พอลงจากเวทีไปไหนมาไหนก็รู้ว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาไม่ใช่ราชาที่ต้องมีคนมากราบกรานห้อมล้อมให้กลับสู่สามัญให้กลับสู่ความเป็นปกติชนได้เป็นสิ่งไม่ว่าเราเป็นอะไรก็ตามในโลกเนี่ยมันก็เป็นแค่บทนะแม้แต่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระอันนี้มันเป็นบทหรือสมมุติอย่างคนเป็นพระนี่ก็ไม่ใช่ว่าใจนี้เป็นพระแล้วนะเพียงแต่ว่า สถานภาพหรือว่าเครื่องแต่งกายจีวรต อ, น, อนนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นพระแต่ก็ไม่ได้แล้วครับว่าจะเป็นพระไปทั้งกายและใจก็เมือนคนที่เล่นบทพระนะก็อาจจะผมจีวรแล้วก็กกนผมแต่ว่าตัวเขาก็ยังเป็นคารวะแต่เมื่อเขาเล่นบทพระเขาต้องเล่นให้ดีนะต้องมีกิริยาวาจาที่สํารวมแต่ว่าพอลงจากเวทีไปแล้วเขาก็อาจจะเหมือนคนปกติเขาก็ ไม่ได้คิดว่าคนจะต้องมากราบไหว้เขาแต่ น, นี้ไม่ใช้หรอกครับ ว, ว่าเพียงเพราะความเป็นพระนะในชีวิตจริงนี่ก็อาจจะเหมือนกับเป็นเพศก็คือว่ามันติดตัวไปยีิบสี่ชั่วโมงไม่เหมือนกับบทการที่เล่นเป็นพระที่อาจจะเล่นบนเวทีสักพักหนึ่งพอลงจากเวทีก็ทําอะไรได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ระลึกว่ามันเป็นสมมุติที่อย่าไปยึดติดถือมัน่นเพราะว่าพอไปยึดติดถือมันแล้วมันก็เป็นทุกข์ได้ง่าย ควาเป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกันมันก็เป็นบทหรือสมมุติถ้าเราไปยึดติดมันเราก็จะเป็นทุกข์กับลูกลูกไม่เป็นไปตามใจลูกไม่อยู่ในอำนาจของเราเราก็จะโกรธเราก็จะโมโหเราก็จะคาดการณให้ลูกต้องเชื่อฟังเราต้องเป็นไปอย่างที่เราคิดทางนั้นที่เขาก็มีชีวิตของตัวเขาเองการที่เราระลึกอยู่เสมอว่านี่มันเป็นมันเป็นสมมุติอย่างหนึ่งในภาษาสมัยใหม่เขาเรียกเป็นอัตลักษณ์หรือความเป็นนั่นเป็นนี่ที่มัน เปลี่ยนแปลงไปได้เวลาอยู่กับลูกเราก็เป็นพ่อเป็นแม่แต่เวลาเราไปเจอนักเรียนเราก็กลายเป็นครูเวลาเราเจอเพื่อนเราก็กลายเป็นเพื่อนความเป็นแม่ก็วางมันลืมไปเลยลืมความเป็นแม่ไปเลยเพราะว่าอยู่กับเพื่อนบางทีคอยหลังกลับไปเป็นเด็กหัวเราะหัวเราะการสนุกสนานทําตัวมันเด็กก็มีทั้งๆที่เมื่อกี้นี้ยังทําตัวเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าสํานึกว่าเป็นแม่เป็นพ่ออยู่ต่อหน้าลูก บทอย่างนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นของลู่คราวอย่าไปเยอะเป็นจริงเป็นจังอย่างสมเด็จโตท่านเป็นพระราชกันนะสมเด็จผู้ตาจาญจน์ท่านก็รู้ว่าไอ้ น, นี่มันโขนท่านก็ยังระลึกอยู่เสมอว่าเป็นลูปตาหรือหลวงตาธรรมดาธรรมดานัท่านก็อยู่อย่างง่ายๆติดดินถึงเวลาเข็นเรือก็ลงไปเข็นเรือไม่มีการวางมาดวางฟอร์ม ก็ท่านรู้ว่ามันสมเด็จนั้นก็เป็นแค่บทที่เขาให้มาความเป็นคนเก่งความเป็นพระเอกความเป็นคนมีความสามารถนี้มันก็เป็นเรื่องบทมันกันนะเพราะว่ามันเกิดจากคำชมคามสรรเสริญการให้ค่าจากสังคมซึ่งถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นจริงเป็นจังเราก็จะทุกข์ได้เพราะว่าเรากำลังจะคิดว่ามันเป็นจริงเสร็จแล้วลงจากเวทีแล้วก็ยังไม่ยอมวางบทเหมือนกับพระเอก ออหลงจากเวทีแล้วก็ยังคิดว่าตัวมันพระเอกอยู่อันนั้นมันก็เป็นความหลงหรือเป็นความโง่ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการไปตำขันบัลลังก์มามบทนั้นคือเราคือตัวจริงท่งนนี้ประมาณุ๋มไม้นี่เนี่ยเขก็หมายถึงชีวิตหรือว่าโลกกว้างชีวิตภายนอกแต่โลกด้านในหรือชีวิตภายในเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับลงละครได้นะชีวิตด้านในก็หมายถึงเรื่องความรู้สึกนึกคิด ต, ต่างๆภายในใจเราเป็นแต่ว่าในโรงละครนี่เราไม่ใช่เป็นผู้เล่นแต่ว่าเราเป็นผู้ดูเราเป็นผู้ดู<ม>ดเดี๋ยวาะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยต้องกลับมาเป็นผู้ดูให้ดีอย่าไปเผลอไปเล่นเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวแสดงในโลกภายในนะเราเป็นผู้ดูเราก็ดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ปรากฏออกมา ทีมันแสดงหรือความคิดปรุงแต่งต่างๆเนี่ยเราเป็นผู้ดูแล้วก็ดูให้เป็นเพราะถ้าดูไม่เป็นเนี่ยเราก็จะจะมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครด้วยเราที่ไม่ร่รมร่วมไปตัวละครตัวละครเสียใจเราก็ร้องไห้ตัวละครดีใจเราก็หัวเราะไปตามเขานี่คือผู้ดูที่อาจจะเรียกว่ายังดูไม่เป็นก็ได้มองจากแง่ของการปฏิบัติบางทีเราเพลินไปกับความรู้สึกนึกคิด อันนี้เราเพลินไปกับอารมณ์เพลินกับตัวละครที่ผ่านมาเราก็เพลินไปกับตัวละครเยอะมีความดีใจมีความยินดีเราก็เพลินไปกับมันได้เสพอารมณ์ที่น่าพอใจเราก็ยินดีไปกับมันหรือแต่ว่าเมื่อเสพกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอ น, นิจจาอรมเราก็ทุกข์เศร้าโศกเสียใจหดถูไปกับมันอันนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ดูที่ยังดูไม่เป็นดูละครแล้วก็เพลินหรือไปมีอารมณ์ร่วมกับตัวละคร หัวลากไ ป, ไปกับตัวละครเสียใจไปกับตัวละครตอนที่เรามาฝึกเป็นผู้ดูเฉยๆนะดูดูเฉยๆดูซื่อๆนะดูเฉยๆเรียนรู้ที่จะไม่ไปมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครอันนี้เรียกว่าไม่เพลินไม่เคลิมนะแต่เท่านั้นไม่พอนะเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะอยากจะเข้าไปเล่นหรืออาจจะขึ้นเวทีด้วยก็ได้ ดูแลเนี่ยมันอยากจะขึ้นเวทีเช่นเห็นตัวละครที่เป็นตัวอิจฉาลิศยานะเราก็อยากจะขึ้นเวทีเข้าไปตบเข้าไปไล่เข้าไปด่าตัวละครที่เป็นนางเอกพระเอกเนะี่ยเราก็อยากจะเข้าไปจับไม้จับมือไปสัมผัสไปกอดไปหอมอันนั้นก็ไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ว่าเวลาเราไม่มีสตินเนี่ยเวลาความรู้สึกนกคิเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าดีหรือชั่วเนี่ยเราก็จะมีปฏิกิริยาเหมือนกับจะเข้าไปเป็น จะเข้าไปเป็นตัวละครหรือจะขึ้นเวทีเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวละครนั้นมีอารมณ์ที่ยินดีเราก็อยากจะยึดอยากจะกอดเอาไว้ให้แน่แนๆอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีความนึกคิดต่างๆที่ไม่น่าพอใจเราก็อยากจะผลักใส่ออกไปมันก็ไม่ต่างจากเราไม่ใช่เป็นผู้ดูแลเราจะขึ้นเวทีไปไล่ตบตีตัวตัวร้ายหรือว่าไปแสดงความยินดีไปกอดตัวดนะีนางเอกพระเอกเอาไว้เรามักจะเป็นอย่างนี้อยู่ประจําจนะ เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาเจริญสติเนี่ยเรามักจะเผลอขึ้นไปบนเวทีเผลอขึ้นไปบนเวทีไปจัดการกับตัวละครผลักสายออกไปหรือว่าเข้าไปคลอเคลียชื่นชมหรือไม่ก็พยายามไปบงบังคับควบคุมบงการให้เขาต้องเล่นอย่างนี้นะต้องเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้ไม่ถูกนะไอ้นั่นมันเกินหน้าที่คนดูไปแล้วแต่เราก็เผลอนะขึ้นเวทีไปเป็นอย่างนั้นอยู่ประจําปกติมันก็เผลอ2ออย่างนะคือเผลอมีอารมณ์ร่วมไปกับ ตัวละครหรือไม่ก็อยากจะขึ้นเวทีเข้าไปควบคุมจัดการไปทําอะไรกับตัวละครนั้นเพียงการปฏิบัติคือถ้ามันไม่เผลอมันก็เข้าไปควบคุมบังคับความรู้สึกเรามักจะเผลอไปสองอย่างหรือขาดสติไป2เรื่องอันนี้กเผลอไปตามอํานาจของความรู้สึกนึกคิดเผลอไปตามกิเลสก็ได้เผลอไปตามกิเลสเผลอไปตามกิเลสคล้อยตามความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็อยากจะเข้าไปกดกลมอารมณ์ความรู้สึก ก็ไปดัดแปลงก็ไปแทรกแซงเข้าไปจัดการก็ไป เ, เรียกว่าผักไสไล่ส่งอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการดูละครที่ดีนะต่อไปนี้ให้เราฝึกนะให้เราดูเฉยเฉยดูมันละครจะเป็นยังไงมันจะละครรักละครโศกตัวละครตัวไหนมาให้เราดูเฉยเฉยอย่าไปเผลอมีอารมณ์ร่วมกับเขาเหมือนกับว่าเราเป็นนักวิจารณ์แต่ว่านักวิจารณ์นี่มันก็ยังมีการให้ค่านะ ว่าบวกหรือลบแต่ลราเพียงแต่ดูเฉยๆเป็นผู้ดูที่รู้หน้าที่คือดูเฉยๆโดยที่ไม่เข้าไปไม่อยากจะเข้าไปขึ้นบนเวทีไปทําแลกตัวละครนั่งทั้งสิน้นมันจะเป็นหนังเศร้าก็รู้เฉยๆมันจะเป็นหนังตื่นเต้นมันจะเป็นละครที่ตื่นเต้นก็รู้เฉยๆครูบาอาจารย์บางท่านอย่างอาจารย์ประโมทท่านก็เปรียกอีกแบบหนึ่งว่ามันเหมือนกับเราดูหนังหนังกลางแปลงไอ้ผ้าที่ประกบบนจอเนี่ย มันเป็นภาพที่ดูเหมือนเป็นจริงเป็นจังจริงๆหนังกลางแปลหรือหนังที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเวลาเราดูแล้วเรานึกว่ามันเป็นจริงเป็นจังมันมีตัวละครจริงๆอยู่ในนั้นจําได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยขนาด78ขวบได้แล้วไปดูหนังในโรงหนังเนี่ยก็ยังไปคิดว่ามีคนจริงๆเล่นอยู่บนเวทีนั้นมันมีคราวหนึ่งมันเป็นเทศกาลตุษจีนก็มีดาราคนหนึ่งนี่เขาเล่น2เรื่อง เขาฉายหนังสองเรื่องที่มีดาราคนเดียวกันแล้วก็ฉายพร้อมกันด้วยเราก็แปลกใจว่าดาราคนที่มันมนเล่นในโรงนี้แล่อีกโรงหนึ่งนี่มันจะไปเล่นยังไงหรือต้องรีบพอเสร็จโรงที่ต้องไปวิ่งไปเล่นโรงนั้นถ้าเราคิดจริงๆจังเลยนะว่าภาพที่เห็นนี่คือตัวคนจริงๆที่เล่นบนเวทีเวลาเราดูภาพเวลาเราดูจอภาพในจอเนี่ยในโรงหนังก็ดีหรือว่าหนังกลางแปลงก็ดีเนี่ย มันก็จะคิดจริงๆนะว่ามันเป็นของจริงของจังนะ mm hmm. เผลอไปแล้วก็เผลอไปมีอารมณ์ร่วมกับภาพนะที่ปรากฏบนจอ น, นั้นและบางทีพอชอบภาพไหนชอบฉากไหนชอบช็อตไหนเนี่ยมันก็อยากจะให้มันอยู่นานๆนะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถไปบังคับได้เราจะไปบังคับให้มันแช่ก็แช่ไม่ได้หรือฉากไหนที่มันน่ากลัวเราจะอยากจะให้มันจบเร็วๆ ฉากไหนที่เบื่อหน้าเบื่ออยากจะให้มันไม่มีฉากนี้ซะเราก็ทําไม่ได้พวกคุมไม่ได้เลยจะไปยึดก็ไม่ได้จะไปผักสายมันก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันจนกว่าเราจะฉลาดพอที่จะหันกลับไปมองว่าที่จริงไอ้ภาพพวกนี้เนี่ยที่ปรากฏบนจอเนี่ยมันมาจากเครื่องฉายถ้าเราไม่ชอบภาพไหนเราก็อาจจะอามือไปปิดเครื่องเอาไว้นะไม่ให้มันปรากฏภาพออกมาอันนี้ท่านก็เปรี่ยนมันก็ว่า เราไปรู้ทันว่าให้การปรุงแต่งเนี่ยของจิตภาพปรากฏบบนจอมันก็เหมือนกันเป็นผลจากการปรุงแต่งของจิตอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ปรากฏขึ้นมานะมันก็เกิดจากการปรุงแต่งของจิตไม่ต่างจากภาพบนจอที่เกิดจากเรื่องใช้หนังให้ภาพบนจอนี่เราควบคุมจัด ก, การไม่ได้ชั้นใดความรู้สึกนึกคิด ต, ต่างๆนะเราก็จะไปบังคับให้มันไปดังใจเราก็ไม่ได้ นะเพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่มีตัวตนของมันด้วยนั่นคือว่ามันมีตัวตนของมันแต่ที่จริงมันเป็นแค่มายาเหมือนกับผ้าที่รบบเรากดบนจอเราคก็คุณไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเรารู้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันมาจากต้นต่อคือเครื่องฉายหนังเราก็ไปจัด ก, การที่ตรงนั้นนั่นคือว่าเป็นแค่รู้ทันปารปรุงแต่งของใจอารวมความซื่อคิดต่างๆเหล่านี้มันก็ดับไปเหมือนกับพอเราเอามือปิดตรงปากจอเนี่ยตรงเครื่องฉายเนี่ย จอมก็ว่างไม่มีภาพปรากฏอีกต่อไปอันนี้ก็อหมายังพอเรารู้ทันความปรุงแต่งรู้ทันคือเห็นเฉยเฉยรู้เฉยเฉยเนี่ยพอรู้ทันมันไอความปรุงแต่งความสูงสุดทียิงต่ํามันก็ดับไปเพราะมันมาจากใจแต่ต่อไปถ้าเราฉลาดมากขึ้นเราก็รู้ว่าถ้าโยนเครื่องฉายหนังทิ้งมันก็ไม่มีจอไม่มีภาพให้ดูไม่ให้เห็นอีกต่อไปท่านบอกบางทีต้องมันต้องอย่างนี้เลยนะขนาโยนเครื่องฉายหนังทิ้ง ก็หมายถึงว่าสลัดปล่อยวางแม้แต่ความยึดในจิตจิตที่มันเป็นต้นต่อของการปรุงแต่งเราก็ต้องสลัดมันทิ้งด้วยซ้ําเพราะรู้ว่ามันก็เป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ยึดติดเลยแม้กระทั่งจิตซึ่งตรงนี้ก็ต้องเกิดจากปัญญาที่ถึงพร้อมที่จะเห็นว่าแม้แต่จิตนี้มันก็เป็นตัวทุกข์อย่างที่เราสวดกันทุกเช้ า, าว่าโดยอุปาทานขันธ์ทั้งห้เป็นตัวทุกข์ ไอ้ขันทั้งห้านี่มันก็ออกมาจากจิตและจิตก็เป็นขันหนึ่งซึ่งก็เป็นตัวทุกข์ที่ไม่สามารถจะหวังให้มีความสุขได้ที่เรา ย, ยังยึดในจิตก็เพราะว่าเราหวังว่ามันจะเป็นสุขได้แต่พอเรารู้ว่านอกจากไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราแล้วมันยังเป็นตัวทุกข์ล้วนๆความหวังความปรารถนาจะให้มันเป็นสุขก็เลยหมดไปตั้นหามันหมดไปเลยเพราะว่ารู้ความจริงว่ามันไม่มีทางที่จะสุขได้ ก็ปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงตอนนั้นก็เปลียนมันก็ไปโยนเครื่องฉายหนังทิ้งไปเลยทีนี้บนจอก็ไม่มีภาพเลยละคือว่างหมดสิ้นซึ่งการปรุงแต่งเรานี่อันนี้เนี่ยถ้าเรานำมาอุปมาอุปไมยนี้มามาเตือนใจก็ดีนะว่าเราเป็นแค่ผู้ดูนะแล้วเราก็ดูให้เป็นการปฏิบัติของเราก็เพื่อฝึกให้เราเป็นผู้ดูเฉย ลงจะดูละครหรือจะดูหนังกลางแปลง ก, ก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูเฉยๆไม่ต้องไปมีอารมณ์ร่วมไปกับความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นซึ่งมันเมื่อนการแสดงอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เข้าไปเจ้ากี่เจ้ากายกับตัวละครบนเวทีนั้นบางทีถ้าเราดูดูไปดูไปนี่ถ้าเราดูเป็นมันก็อาจจะได้แง่คิดเหมือนกันนะบางครั้งเราก็ดูเฉยๆแต่บางครั้งถ้าเราดูให้เป็นมันก็ได้แง่คิด ก็นะเรียกว่าเหมือนกับว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวไอ้ตัวละครที่อิจฉาลิศยานั้นที่จริงก็ไม่ใช่ใครก็จริงก็คือเรานั่นเองเรามะคิดว่าเราเป็นพระเอกแต่ว่าถ้าเราดูเป็นเราก็จะได้บทเรียนจากตัวอิจฉาลิศยามากการมองโลกการมองชีวิตถ้าเรามองแบบดูเป็นเราก็ได้ความรู้นะโลกนี้คือละครนะเราเป็นผู้ดูละครก็สอนใจเราอะไรต่ออะไรไม่ว่า ตัวละครตัวไหนก็สอนใจเราได้ทั้งนั้นนะถ้าดูให้เป็นแม้แต่ตัวที่เป็นตัวนางยั่วตัวนางร้ายดูแล้วเราก็ได้คติธรรมเหมือนกันอย่างที่เคยเล่าพระตาลปุทธท่านออกมาจากป่าเห็นมีการเฉลิมฉลองกันในเมืองนางฟ้อนนี่ก็แต่งตัวงดงามกำลังฟ้อนนะด้วยท่วงท่าที่คนทั่วไปเห็นแล้วก็เกิดกหนัดแต่ว่าท่านมองแล้วเนี่ย ท่านไม่ได้เห็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้มีเอาลงความสึกร่วมไปกับทีท่าของตัวฟอ้อนลำแต่ท่านกลับเห็นว่าโอ้นี่คือบ่วงของมารท่านมองทะลุไปเห็นว่าเนี่ยคือบ่วงของมารมานี่มันต้องการล่อให้เราเข้าไปติด ก, กับท่านเห็นโทษของกามเลยว่ากามเนี่ยคือบ่วงแห่งมานั่นเองพอการเห็นโทษของกามปรากฏแก่ใจเนี่ยท่านก็เกิดความสลดสังเวชขึ้นมาแล้วก็บรรลุธรรมในขณะที่ ตัวละครกํลาลังฟ้อนราอยู่ข้างนา น, นั่นเองการเห็นเหล่านี้ภาพเหล่านี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะทําให้เราเป็นทุกข์ไปด้วยถ้าเราเป็นแค่ผู้ดูเฉยๆสวยงามมี่ถ้าดูเป็นๆ น, นี่บางทีมันปร่งได้เหมือนกับว่าเราดูละครเห็นตัวละครที่นางเอกที่สวยงามทําให้เราเกิดความเคลอบเคลิ้มหลงไหลแต่พอเราแอบไปที่หลังโรงละครเขากําลังเปลี่ยนเครื่องแต่งกายตัวละคร เอาถอดเครื่องสําอางออกนะเราก็พูดจากันอย่างปกติของเขาแต่ว่าดูหยาบคายเรียอ ก, กูกูเมืองเมงบนเวทีเขาพูดเพราะพี่ข้าพี่ขาแต่ในหลังโรงละครนี่เขาพูดกูกูเมืองเมืองเมืองที่ก็ด่ากันไปด่ากันมาเราเห็นนางเอกหลังฉากแล้วเป็นอย่างนี้มันก็เกิดความนึบเบื่อหน่ายนะปรงเลยนะที่เคยรักลหลงไหลนี่มันคลายไปเลยบางทีชีวิตจริง ถ้าเรามองให้เป็นก็แบบนั้นอย่างพระยศศร์เนี่ยก็มีชีวิตรเรียกว่าเป็นเศรษฐีร่ํารวยแวดล้อมไปด้วยสิ่งสวยงงามแต่คืนหนึ่งนะได้เห็นพวกว่านางรํานางละครที่เคยร้องราทําเพลงได้สวยงดงามดูหน้าชื่นใจแต่พอกลาคืนก็เห็นนอนกันกายกันไปกายกันมามันไม่เหมือนกับตอนที่เขาลําให้ดูตอนที่เขามาดูแล้วใจใส ภามันผิดกันเยอะเลยเห็นแล้วก็โปรงเลยนะตัวละครบ้างก็หลับนอนบ้างก็น้ํำลายไหลบ้างก็้าพผอหลุดรุ่ยเห็นแล้วไม่ได้เกิดความกําหนักอะไรขึ้นมาแต่เกิดความโปรงสองเวชนล้วนี่คือเหตุนหนึ่งที่ทําให้ท่านต้องเดินไปอย่างไรจุดหมายมาพูดเดินไปก็บนไปที่นี่บุ่นวายหนอที่นี่ขัดห้องหนอพอไปในปายสิปตนะก็ไปพบพระพุทธเจ้าพอดีพุทธเจ้าก็เลยตัดว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดห้องหนอ แล้วก็แสดงทำให้จงทังยัสสานิบรรลุธรรมเป็นโสดาบันทั้งหมดนี้ก็เริ่มมาจากภาพที่ยัสสะได้เห็นผู้หญิงที่สวยสงดงามนะ mm hmm. แต่ว่าภาพที่เห็นนั้นเนี่ยมันชวนให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือว่าเกิดนิพิทาวิลาค้าขึ้นมาอันนี้ก็คือภาพเดียวกับที่ชายชาสีชัดต า, าก็เห็นเหมือนกันในประสาทสามหลังไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เรา ที่มันดูเหมือนสวยงามเนี่ยแต่ถ้ามองให้เป็นนี่มันก็เห็นถึงความความน่าเบื่อหน่ายได้เหมือนกันนะแต่ถ้ามองไม่เป็นก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดพี่วัดที่ผมบวชเนี่ยวัดทองทุบคุณโบสเนี่ยจะเป็นโบส ท, ที่มีชื่อทั้งสร้างแล้วก็วาดภายในโดยเจ้าวาดพระกุศลสังวรซึ่งเป็นเพื่อนของครวัวอินโขงโครวัวอินโขงนี่ใครที่รู้เรื่องจิตตกรรมฝาผนัง สมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็จะรู้ว่าเป็นเป็นเบอร์หนึ่ ง, อองโค้ชโคงนี่เก่งมากแล้วก็พระคโกสินสองวานก็เป็นศิลปินเหมือนกันท่านก็ออกแบบโบสได้ได้ไม่เหมือนใครหน้าต่างก็เป็นรูปพัดยศสมมุติหน้าประตูทางเข้าก็เป็นคล้ายๆโรงละครประตูโรงละครมันก็เตือนว่าไอ้โลกนี้ก็คือโรงละครอย่างหนึ่งสมมุติกันทั้งนั้นแม้แต่พัดยศก็สมมุติทั้างในนี่วาดหลังพระประธานเป็นฉาก ราชการที่สี่มาทอกัะถิ่นเห็นเห็นเขาก็เลยทักว่าไปเอามา่านในหวังนีม่มาติดเพราะเหมือนมากแล้วก็หน้าพระประธานั่นเนี่ยคือปัญหาหน้าพระประธานเนี่ยท่านก็จะว่าเป็นเวสันดรชาดกแล้วก็ตรงหน้าประทาเลยจะเป็นภาพอุทยานในสวรรค์ของพระอินทร์กับ น, นางพุทธดีและที่มีปัญหาคือว่ามีรูปอับสรเทวิทดาเจคนกำลังสงสนานกันในสระ พวงท่าอากับเกลียต่างๆเนี่ยราชกาลที่สเห็นแล้วไม่มไม่โปรดเพราะว่าอักษรบาง<ม>บางตนนี่ก็ผ้าผ่อนหลุดลุย่ยบางตนก็กําลังแหวกผ้าบางตนก็กําลังนอนคว่าในสระน้ํานณะโผลตะโพกออกมาไม่มีผ้าเลยบางคนก็ว่ายน้ํำนอนหงายโชว์เนื้อหนังบางสาบางคนก็กําลังนั่งปัสสาวะท่านบอกว่า ภาพอย่างนี้เนี่ยมันไม่เหมาะมันเป็นภาพที่กระตุ้นกําหนัดพระมาเห็นพระมาลงโบสถ์เห็นแล้วก็จะเกิดความรู้สึกกําหนัตนะท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยแทนที่จะจะเลื่อนสมณศักดิ์ให้พระครูกสิมสังวนเป็นเจ้าขุนก็เลยอดสเสลยเพราะท่านไม่พอใจผมมันดูแล้วก็ท่านไม่เข้าใจว่าเจ้าวาดในสันตองการที่จะวาดเพื่อให้เกิดความเบื่อนหน่ายนะว่า สิ่งที่สวยงามเทพธิดาที่เคยว่าให้สวยงามรูงท่ากริยาอ่อนช้อยเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอากบัตกริยาซึ่งมันชวนให้หน้าเบื่อหน่ายได้เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละท่าแต่ละท่านี้ไม่ได้ชวนให้หน้าชื่นชมเลยเช่นท่าปัสสาวะเนี่ยหรือว่าท่าที่กําลังวิ่งภาพพอดหุดลุยต้นในจริงก็คือภาพเดียวกับที่ยาศสากเห็นนั่นแหละเป็นในยาศสาก็ไม่ได้เห็นในในสระแต่เห็นในห้อง เจ้าชายสิทาาคงจะเห็นคล้ายๆกันถึงเบืออหนายแต่ว่าและการที่สืไม่เข้าใจไปมองแบบเรียกว่าเป็นเจ้าก็ได้จริงนี่คือปิศนาธรรมเลยแหละแล้วก็คนที่ออกบวชเพราะภาพอย่างนี้นี่ก็มีเยอะทีเดียวก็เหมือนกับเราไปชื่นชมตัวละครนางเอกแล้ว ก, กลับไปดูหลังฉากนี่เขาแต่งตัวเขาถอดเครื่องทรงเขาคุยกันเขานั่งท่าชันเขาเขา นังแต่ละพักนะไม่งามไม่เหมือนกับบนเวทีเลยมันก็ทําให้เบื่อมันทําให้ปล่อยวางได้เหมือนกันอันนี้ก็มองให้เป็นนะเราถ้าดูละครเราดูโลกหรือว่าดูไม่ว่าจะเป็นโลกภายนอกหรือโลกภายในโลกภายนอกก็หมายถึงผู้คนต่างๆที่เราเห็นความเป็นไปของบ้านเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนแต่ละคนในลักษณะต่างๆก็สอนทําให้กเรามากในระดับการโลกภายใน โรคภายในความสึกคิดต่างๆถ้าเราเป็นผู้ ด, ดูดูอย่างเรียกว่าอย่างมีสติดูเฉยๆรู้เฉยๆรู้ซื่อๆเราก็จะได้เห็นได้เกิดปัญญาขึ้นมาหลวงพ่อเขียนท่านก็เปรียบอีกแบบหนึ่งท่านเปรียบว่ามันเหมือนกับดูเขาเล่นกลดูเล่นกลเวลาดูโลกเนี่ยดูใจเนี่ยให้ดูเหมือนกับว่าเขากําลังเล่นกลบางทีก็ไปดึงเอา กรตายออกมาบางทีก็ไปดึงเอานกพิราบออกมาจากหมวกทั้งๆที่ตอนใส่หมวกข้างแรกก็ไม่เห็นมีอะไรเลยบางทีก็ดูเขาผ่าออกเป็นสซีกทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเราดูไม่เป็นเราก็เพลินเราก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พอดูไปดูไปถ้าเราดูอย่างมีสติไม่ไปเคลิ้มไม่ไปจดจอ่อตรงมุมไหนอย่างที่เขาต้องการให้เราเห็นบางทีก็ต้องการดึงความสนใจเราไปที่จุดหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้ แสดงกลให้มันได้ชัดเจนให้น่าเชื่อแต่พอเราไม่ไปหลงตามเขาเราก็จะจับพิรุธแล้วก็จับความจริงได้ไว่าที่แท้มันก็เป็นกลอย่า ง, งนั้นเองจับเคล็ดลับว่าเขาหลอกเราอย่างไงได้เห็นเองเห็นความจริงนะคันนี่มันหลอกเราอย่างไงขันนี่มันหลอกเราว่าทุกอย่างเที่ยงขั น, นมันหลอกเราว่ามันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นสุขแต่ที่จริงมันหลอกทั้งนั้น มันหลอกทั้งน okay. ั้นนะพอรู้เช่นนี้เขมันก็ดูกลไม่สนุกแล้วแต่มันก็ไม่ไปตื่นเต้นกับเขานะเขาอื่นก็ตื่นเต้นนี่แต่เราไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะเรารู้ว่ามันหลอกเห็นความจริงพ้นจากมายาภาพการดูจิตนะก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนกันนะดูจิตนี่มันดูไปดูไปแต่ก่อนอารมณ์มันหลอกเรามันพาเราไปวันไหวไปกับตามอารมณ์นั้นแต่พอเรามีสติดูมันไปเรื่อยๆ ในสุดความจริงมันก็เปิดเผยออกมาพอเปิดเผยออกมามันก็สงบมันก็นิ่งได้ไม่ดีใจเสียใจไปกับสิ่งที่เห็นไม่ได้ไปลงไหลกับสิ่งที่ปรากฏขอ้อขอให้เรานะดูให้เป็นเมื่าจะดูละครดูหนังหรือว่าดูภาพหรือว่าดูคนนะถ้าเราดูเป็นแล้วมันก็ประโยชน์ก็เกิดขึ้นนะปัญญาก็ปรากฏนะ